อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้เมตทองอบัตคือ693 1. ิภิกษุณีที่เพื่อนภิกษุณีจากไปศึกมรณภาพหรือไปเข้ารีด 2. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 3. ภิกษุณีวิกลจริต 4. ภิกษุณีต้นบัญญัตสังคาทิเศษสิกขาบทที่ 3. จบ